จริงการเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เกิดมาเพื่อดับไฟกิเลตมิใช่เกิดมาเพื่อให้กิเลสเผาอยู่ทุกวันทุกคืนถ้าเราเป็นฝ่ายเผากิเลสเราก็มีความสุขเย็นแต่ถ้ากิเลสเป็นฝ่ายเผาเราเราก็สุขไหมและเกรียมไปได้ในที่สุด ก็เขาสวนหลวงการปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสำหรับชีวิตของเราการปฏิบัติธรรมคือการฝึกฝนกายวาจาใจของเราเนี่ยไม่ให้ตกไปสู่ในโลกที่ชั่ว ทำให้เราได้ละความชั่วที่เกิดจากคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วให้กลับกลายมาเป็นคนที่ดีพูดดีทำดีผลสุดท้ายการปฏิบัติธรรมก็เป็นไปเพื่อความดับทุกเนี่ยเพราะฉะนั้นการฝึกฝนกจิตใจก็ดีการประพฤติธรรมก็ดีนถว่าเป็นสิ่งที่บัณฑิตควรจะทำ บัณฑิตย่อมฝึกตนเป็นการฝึกฝนจิตใจเราร่างกายเราไปในทางที่ถูกที่ตรงชีวิตของเราเนี่ยต้องการความสุขไม่อยากได้ความทุกข์ความสุขที่เราสแสวงหานั้นก็คือความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสก็ดีมีลาบมียศมีสารเสริญมีความสุข สิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแล้วก็ไม่อยากให้สิ่งนี้ต้องพัดพลากจากันไปแล้ก็อยากจะควบคุมสิ่งที่เราปรารถนาไว้ให้ได้นานๆแต่เราควบคุมได้แค่ไหนเราสังเกตดูไหมว่าเวลาที่เรากําลังเสเวยความสุขชีวิตกําลังมีความสุขอยู่ในส่วนลึกๆเนี่ยสังเกตดูที่ใจเราเราจะมีความพิจตอ ก, กังวล ซ่อนอยู่ในจิตใจเราอยู่เสมอๆที่เป็นความคิดคืออยากใช้ความสุขเนี่ยอยู่กับเรานา น, านๆไม่อยากให้มันหายไปเนี่ยดูที่ใจเราเความคิดเนี่ยมันทาให้ความสุขที่มีอยู่เนี่ยมันลดน้อยลงไปก็ได้แลายามใดที่ใจเรามีความทุกข์เราก็พยายามที่จะปกปิดหรือหนีจากความทุกข์ ที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่ที่ตัวเราเโดยการหาสิ่งอื่นมาปิดบังบ้างไปทำอย่างอื่นซะบ้างเพื่จอจะหนีความทุกข์อยู่ในกายในใจเราแต่เสร็จแล้วเราก็จะว่าไปแล้วก็หนีได้ชั่วคราวนะไปเพลิดเพลินดูหนังฟังเพลงไปทำในสิ่งอื่นเป็นการหาความสุขเราหนีได้ชั่วคราวเพราะบางครั้งเนี่ยเราต้องอยู่คนเดียวต้องอยู่กับตัวเองตอนนี้แหละ สิ่งที่เราปกปิดเอาไว้มันก็จะค่อยๆผุดขึ้นมาในลักษณะของความคิดนึกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัญหากับชีวิตของเราเนี่ยจะว่าไปแล้วก็น่าจะสรุปลงที่ความคิดเราเล็งถึงความคิดที่ประกรอบด้วยกิเลสโลภคิดโกรธหลงสิ่งเหล่านี้แหละมักจะสร้างปัญหาให้กับจิตใจของเราทำให้เรามีความทุกข์ เอเวลาเราเกิดความโกรธนะสมมุตินะเป็นความโกรธที่มันพุ่ขึ้นในจิตใจเราเนี่ยเราคิดโกรธเนี่ยเพราะว่าอย่างเงี้ยเราก็มักจะหนีมันเป็นทุกครั้งแรกนั่นแหะเวลามันโกรธเราก็อยากจะหนีความทุกข์ก ท, กที่เกิดจากความคิดพยายามที่จะผลักไสให้จิตมันหลุดพ้นออกจากความโกรธเนี่ยนี่มันเป็นทุกข์ครั้งที่2แล้วคิดครั้งที่2แล้วยิ่งอยากคิดให้มันออกจากความทุกข์ออกจากความโกรธ มันก็ยิ่งคิดยิ่งโกรธรั้นที่สองละบางทีเราออกไม่ได้จากความคิดที่เป็นความทุกข์เนี่ยมันก็ออกไม่ได้ก็ยิ่งทุกซ้อนทุกคิดซ้อนคิดดับเบิลคิดเพราะความคิดประเภทที่เราไม่ชอบใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเราก็พยายามหลีกหนีแต่หนีไม่พ้นมันก็จะเป็นทุกข์จว่าไปล้ความคิดที่ประกอบด้วยกิเลสมันอาจจะเป็นอสุภะของจิตก็ได้ อสุภะแปลว่าความไม่งามที่มันมาปรุงแต่งจิตของเราซึ่งมันดีอยู่แล้วจิตมันดีอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วแต่มีอสุภะของจิตเข้ามาแทรกทำให้จิตเนี่ยมัวหมองไปจะเป็นการมาราคะคือดีจิตใจในกามปฏิฆะความขุนเคืองใจหรือความหลงที่เราไม่รู้ตามที่มันเป็นจริงซึ่งเหล่านี้ลหะคืออสุภะของจิตอย่างที่เขาบอกไว้ว่าถ้าจิตเราเกิดการมาราคะ ให้เราไปพิจารณาอสุภะเพ่งอสุภะซะเพ่งสิ่งที่ไม่งามซะรู้จัจกปล่อยวางปรงสังเวทกามราคะจะได้หายไปคือทําในสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามเช่นเวลาเราเกิดความโกรธปฏิฆะภายในจิตใจเราให้เราไปเจริญเมตตาซะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามความโกรธปฏิฆะจะได้หายไป หรือเกิดความหลงในจิตใจเราให้เราไปพิจารณาร่างกายของเราตามที่มันเป็นจริงชีวิต จ, จิตใจตอนที่เป็นจริงความหลงจะได้หายไปนี่สิ่งเนี้ถูกว่าเป็นสิ่งที่ทำในสิ่งตรงกันข้ามแต่สรุปแล้วเรื่องการเจริญสติเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอย่างนั้นก็ได้เราเพ่งอสุภะลงไปในจิตใจของเราเลยคือความคิดนึกในสิ่งที่ปนเปื้อนไปด้วยกิเลส เลยถือว่าเป็นอสุภะของจิตเพ่งความคิดเพ่งอสุภะของจิตให้มันออกไปจากจิตใจซะจิตจะได้บริสุทธิ์อสุภาจิตบางครั้งเนี่ยเราก็ควรจะเห็นว่าไอ้ความคิดที่มันทาให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันเหมือนอย่างกับอะไรมอดนะมันเหมือนมอดที่มันชัยกินไม้เนี่ยธรรมปังญาเห็นมอดไหม ทำไม้อะไรมีมอดเข้าไปใช้ไปชอนชาอยู่แล้วก็ทํำให้ไม้นั้นมันผุพังได้ง่ายความคิดก็เช่นเดียวกันความคิดที่ประกอบไปด้วยกิเลสหรือความทุกข์เนี่ยมันทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันถูกมอดของความคิดเนี่ยมัน ก, กัดกร่อนจิตใจเราบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องหักใจไม่คิดซะบ้างใช้วิธีการหักใจไม่คิดถือว่าแล้วกันแล้วกันไปเรื่องในอดีตก็ตามที่มันผ่านมา หลายวันหลายเดือนหลายปีสิ่งที่เราไม่ชอบใจในอดีตเนี่ยเขามากัน่นแกล้งเรามมอยุติธรรมกับเราคดโกงเราเนี่ยบางทีต้องหักใจไม่คิดซะบ้างเพื่อรักษาจิตให้เป็นปกติหรือบางครั้งความคิดที่มันอยู่ในอนาคตยังมาไม่ถึงมันปรุงแต่งเป็นเรื่องของความวิตกกังวลบางทีเราต้องหักใจไม่คิดซะบ้างเมือถึงเวลานั้นเราก็จะ แก้ไขได้เองอะไรอย่างนี้แหะหรือบางครั้งความคิดที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดจากการปรุงแต่งที่มีการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดความคิดที่มันปุดขึ้นในปัจจุบันเป็นโทสะเป็นโลภะทําให้ใจเราต้องมุนหมองอันนี้ถือว่าเป็นมอดของชีวิตเป็นมอดในทางจิตใจที่ต้องหักใจไม่คิด โดยการมีสติ <dibuj ei> มีสติรู้ pues ลงไปที่จิตของเราเนี่ยเครื่องมือสกัดมอดของชีวิตของเรามีสติรู้ลงไปที่ความคิดได้ใจเป็นกลางๆ <S 1> <1> <S ความคิดก็จะหายหรือจะไม่หายไป <S 1> <1> <S ก็ต้องเลือกแล้วแต่ความคิดไม่ต้องไปบังคับ <S 1> <1> <S ลองสังเกตดูอย่าไปเพ่งไปจ้องแต่คอยสังเกตดูไกล ดูความคิดที่มันกำลังปรุงแต่งดูซิว่าความคิดเนี่ยใครเป็นผู้คิดใครเป็นผู้รู้ความคิดลองแบ่งแยกกันใด้ออกสิว่าความคิดกับส ภ, ภาวะที่รู้ในความคิดเนี่ยมันอันเดียวกันไหมเนี่ยเราจะเกิดปัญญาเพราะความคิดแบบนี้ก็ได้เพราะการเจริญสติเนี่ยทำใจเป็นกลางๆถ้ า, าว่าเรามีสติลู้ลงไปในความคิดแล้ว ความคิดยังรุนแรงขึ้น เ, นเมืาอทีก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์นะแสดงว่าสติเรายัางไม่เพียงพอนะเราต้องเปลี่ยนอารมณ์ลองมาเจตนามารู้ที่กายเคลื่อนไหวมันก็ได้กระดิกนิว้วเขมือพลิกมือเล่นไปมาเนี่ยเราลองมามีสติรู้ลงไปที่กายกำลังเคลื่อนไหวซชบไหมเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ถ้าเราไม่สนใจกับความคิด เรามาสนใจอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายมันก็ช่วยได้อันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการเจริญสติแม้ว่าเราจะเปลี่ยนสติจากการรู้ความคิดมารู้กายแล้วใจมันยังหมกมุ่นอยู่ใ น, ในความคิดอันนี้เราก็ต้องรู้จักแก้ไขตัวเราเองเปลี่ยนอียบบทลุกขึ้นจากที่เดิมไปกวาดพื้นไปซักผ้าไปจัดสิ่งของโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดช่วยไปทางานที่ไม่ต้องใช้ความคิด ลองทําตรงนี้ดูสิบางทีอาจจะออกจากความคิดโดยที่ไม่มีรูปแบบก็ได้เราอย่าไปติดในรูปแบบอย่าไปติดในความคิดอย่าหมกมุ่นในความคิดเต้องหาทางออกจากความคิดออกจากความทุกข์ให้ได้ด้วยสายสัญชาติญาณของเราหรือความสามารถของเราเราจะเกิดปัญญาเห็นว่าเออความคิดนี้ก็เป็นเทียงนะมันเป็นทุกข์มันบังคับบัญชาไม่ได้อาจจะเกิดปัญญาจากความคิดที่มันปรุงแต่งใจเราก็ได้ เราอาจจะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถึงมั่นก็ไดนะ้เราจะหาความทุกข์จากบุคคลที่มักจะปล่อยวางเนี่ยไม่มีหรอกเนี่ยธรรมะเนี่ยสอนตรงนี้พุทธศาสนาสอนเรื่องการปล่อยวางสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถึงมั่นให้มีสติรู้ทันในอารมณ์ต่างๆแล้วก็ไม่ยึดติดแล้วก็ปล่อยวางเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยสอนแต่เรื่องนี้ประพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ทําแต่เรื่องนี้ พระพุทธเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นยอดนักปล่อยวางมือดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะเ <c oughs> นี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจอแห่งความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นยอดนักปล่อยวางมือดับหนึ่งของโลกเลยพระธรรมก็สอนแตเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นสอนให้ปล่อยวางสอนวิธีการปล่อยวางให้กับพวกเรากพระธรรมจึงสอนว่าสัพเพ ธ, ธรร ม, มานาลัง อภินิเวสายาทำทั้งหลายอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยลสอนที่เราปล่อยวางอันนี้คือพระธรรมสอนอย่างนี้แหละส่วนพระสงฆ์นี่ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตอนเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติตอนเพื่อความปล่อยวางประพุทธพระธรรมพระสงค์ก็รวมลงตรงเนี้ลงตีให้มีสติรู้เท่าทันความจริงแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปล่อยวาง เพราะฉะนั้นเราสาวกปลายแถวก็ว่าได้นะหลังต้องมาฝึกตรงนี้มากๆฝึกที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นฝึกที่จะปล่อยวางแต่จะคิดเอาไม่ได้หรอกครับท่านผู้ฟังเราต้องมีตัวปฏิบัติมีการเจริญสติเจริญสติไปมากๆทําความรู้ตัวให้มากๆเดี๋ยวก็จะเกิดปัญญารู้เท่าทานันตามที่มันเป็นจริงแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปล่อยวาง เป็นไปเองไม่ต้องไปคิดเอาเรื่งที่เราสร้างสติให้มากๆให้สร้างสติเจริญสติให้เป็นอาหารจิตอาหารใจของเราในแต่ละวันอาหารกายเราก็ทานสามื้อสี่มื้อสองมื้อก็ทานไปแต่อย่าลืมทานอาหารจิตคือการฝึกเจริญสติเราจะได้เป็นมืออาชีพมืออาชีพที่จะปล่อยวางที่จะไม่ยึดมั่นถึงมันเป็นมืออาชีพหนึ่งของโลกในการที่จะปล่อยวาง ตามแนวของที่พระพุทธเจ้าท่านทำเอาไว้เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นเนื้อหาของการฝึกตนเองฝึ ก, กจิตใจของตอนเองเพรา ะ, ะนั้นบัณฑิต จ, จึงเป็นผู้ที่ฝึ ก, กจิตฝึกตนเองอยู่สม่าเสมอ